และแล้วพระอนุ์ก็กล่าวว่าน้องหญิงชีวิตเริ่มต้นด้วยเรื่องที่น่าละอายสงตัวอยู่ด้วยเรื่องที่ยุ่งยากสับสนและจบลงด้วยเรื่องเศร้าอันหนึ่งชีวิตนี้เริ่มต้นและจบลงด้วยเสียงคล่ำครวญเมื่อลืมตาขึ้นดูโลกเป็นครั้งแรกเราก็ร้องไห้และเมื่อจะหลับตาลาโลก เราก็ร้องไห้อีกหรืออย่างน้อยก็เป็นสาเหตุให้คนอื่นหลั่งน้ำตาเด็กร้องไห้พร้อมด้วยกำมือแน่นเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าเขาเกิดมาเพื่อจะน่วงเหนียวยึดถือแต่เมื่อหลับตาลาโลกนั้นทุกคนแบมือออกเหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังสำนึกและเป็นพยานว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปเลย น้องหญิงอาตมาขอเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังสักเล็กน้อยอาตมาเกิดแล้วในสักยวงศ์อันมีศัก์ซึ่งเป็นที่ลือเรื่องว่าบริสุทธิ์ยิ่งในเรื่องตระกูลอาตมาเป็นอนุชาแห่งพระบรมศาสดาและออกบวชติดตามพระองค์เมื่ออายุได้36ปีราชกุมารผู้มีอายุถึง36ปี ที่ยังมีดวงใจพองแผ้วไม่เคยผ่านเรื่องรั ก, รกๆคล้ายๆมาเลยนั้นเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกหรืออาจจะหาไม่ได้เลยก็ได้น้องหญิงอย่านึกว่าอาตมาจะเป็นคนวิเศษเลิศรอยกว่าราชกุมารทั้งหลายอาตมาเคยผ่านความรักมาและประจักษ์ว่าความรักเป็นความร้ายความรัก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 น้องหญิงอย่าหวังอะไรให้มากนักจงมองดูชีวิตอย่างผู้ช่ำชองอย่าวิตกกังวลอะไรล่วงหน้าชีวิตนี้เหมือนเกลียวคลื่นซึ่งก่อตัวขึ้นแล้วม้วนเข้าหาฝั่งและแตกกระจายเป็นฟองฝอยจงยืนมองดูชีวิตเหมือนคนที่อยู่บนฝั่งมองดูเกลียวคลื่นในมหาสมุทรฉนั้น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 เมื่อความใคล่เกิดขึ้นความละอายก็หลบหน้าเพราะเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงตรัสว่าความใคล่ทํทำให้คนมืดบอดอันหนึง่งโลกมนุษย์ของเรานี้เต็มไปด้วยชีวิตอันประหลาดพิสดารต่างชนิดและต่างรสชีวิตของแต่ละคนได้ผ่านมาและผ่านไปด้วยความระรำรลำบากทุกทรมาน ถ้าชีวิตมีความสุขก็เป็นความหวาดเสียวที่จะต้องจากชีวิตอันรื่นรมนั้นไปโกกิลาเอ่ยมนุษย์ทั้งหลายผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจักสุนั้นเป็นเสมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าไปในป่าใหญ่อันรกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันหน้าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเงามนุษย์ส่วนใหญ่ แม้จะร่าเริงแจ่มใสยอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่านิ่ส่วนลึกของหัวใจเขาจะว้าเวและเงียบเงาสักปานใดแทบทุกคนว้าเวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักของชีวิตที่แน่นอนเธอปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นด้วยหรือน้องหญิง บัดนี้เธอมีธรรมเป็นเกาะที่พึ่งแล้วจงยึดธรรมเป็นที่พึ่งต่อไปเถิดอย่าวังอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยโดยเฉพาะความรักความเสน่หาไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้มันเป็นเสมือนตอที่ผุจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดสาดธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทาที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นพระาศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้รับความทุกข์ยากลำบากสักปานใดก็ต้องไม่ทิ้งธรรมมนุษย์ที่ยังมีอาสวะอยู่ในใจนั้นย่อมจะมีวันพลังเผลอประพฤติผิดธรรมไปบ้าง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 แม้จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นหัสดินก้าวลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งลีลาอ้ อ, อยแม้เข้าสู่หีบยนต์แล้วก็ไม่ทิ้งรสหวานบัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมพระาศาสดาส่งย้ำว่าพึงสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาธรรม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 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นนักเสียสละตัวอย่างของโลกเคยมีกษัตริย์องค์ใดบ้างทำได้เหมือนพระพุทธองค์ยอมเสียสละความสุขความเพลินใจทุกอย่างที่ชาวโลกปองหมายมาอยู่กลางดินกลางทรายก็เพื่อทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่มนุษยชาติการเสียสละของพวกเรา เมื่อ น, นำไปเทียบกับการเสียสละของพระบรมศาสดาแล้วของเราช่างเล็กน้อยสินี่กระไรน้องหญิงพระศาสดาตรัสว่าบุคคลอาจอาศัยตัณหาละตัณหาได้อาจอาศัยมานะละมานะได้อาจอาศัยอาหารละอาหารได้แต่เมถุนธรรมนั้นพระผู้มีพระภาค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 เขาจำต้องกินเนื้อบุรเพียงเพื่อให้ข้ามทะเลสายได้เท่านั้นหาติดในรถแห่งเนื้อบุรไม่ข้อว่าอาศัยตัณหานั้นคือเมื่อทราบว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิ ก, กาชื่อโน้นได้สำเร็จเป็นโสดาบันสกทาคามีอนนาคามีหรืออรหันต์ก็มีความทยานอยากที่จะเป็นบ้าง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 ทำไมเราซึ่งเป็นมนุษย์และมีอวัยวะทุกส่วนเหมือนเขาจะทำไม่ได้บ้างจึงพยายามทำความเพียรเผากิเลสจนได้บรรลุโสดาปติผลบ้างอรหัตผลบ้างอย่างนี้เรียกว่าอาศัยมานะละมานะเพราะเมื่อบรุแล้วมานะนั้นย่อมไม่มีอีกดูก่อนน้องหญิง ส่วนเมธุนธรรมนั้นใครๆจะอาศัยละไมได้เลยนอกจากจะพิจารณาเห็นโทษของมันแล้วเลิกละเสียห้ามใจมิให้เลื่อนไหลไปยินดีในกามสุขเช่นนั้นน้องหญิงพระาศาสดาตรัสว่ากามคุณ น, นั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากมีโทษมาก มีความคับแค้นเป็นมูลมีทุกเป็นผล พระอานนุ์พูดจบคอยจับกริยาของโกกิลาภิกษุณีว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรธรรมกถาของท่านได้ผลภิกษุณีค่อยๆลุกจากเตียงสลัดผ้าห่มออกคลานมาหมอบลงแทบเท้าของพระอานนุ์สะอึกสะอื้นจนสั่นเทิมไปทั้งตัวนางพูดอะไรไม่ออกนางเสียใจอย่างสุดซึง้ง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 คำพูดของพระอา น, นุลล้วนแต่เป็นคําเสียดแทงใจสําหรับนางผู้ยังหวังความรักจากท่านอยู่ยิ่งกว่านั้นเมื่อนางทราบว่าพระอานนล์ม่ได้เชื่อในอาการลวงของนางเลยนางจึงรู้สึกเหมือนถูกตบหน้ายางแรงและอายสุดที่จะประมาณได้นางจึงไม่สามารถพูดคำใดได้เลยนอกจากถอนสะอื้นอยู่ไปมา ครู่ 1. พระอานตน์จึงพูดว่าน้องหญิงหยุดร้องไห้เสียเถิดการร้องไห้ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ช่วยเรื่องหนักใจของเธอให้คลายลงได้อ น, นิจจาพระอานนต์ช่างพูดอย่างพระอริยะแท้ข้าแต่พระคุณเจ้านางพูดทั้งเสียงเสื่อภิกษุ ผู้เป็นปัจฉาสมณะของพระอานนุนต้องเบือนหน้าไปเสียทางหนึ่งเกรงว่าไม่สามารถจะอดกลั้นน้ำตาได้ข้าพเจ้าจะพยายามกล่ำมกลืนฝืนใจปฏิบัติตามโอวาทของท่านแม้จะเป็นความทรมานสักปานใดข้าพเจ้าก็จะอดทนและขอเทิดทูนบูชาพระพุทธอนุชา ไว้ในฐานะเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงข้าพเจ้าไม่เตรียมตัวเองจึงต้องทุกขทรมานถึงป่านนี้ข้าพเจ้าเป็นเพียงหญิงทาสทูลหม่อ น, น้ำข้าพเจ้าเพิ่งสํานึกตนเวลานี้เองความรักความอะไรทําให้ข้าพเจ้าลืมกําเนิดชาติตระกูลและความเหมาะสมใดๆทั้งสิ้นมหลงรักพระพุทธอนุชาผู้ทรงศักดิ์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 นั่งก้มหน้าน้ำตาของนางหยดลงบนจีวรผืนบางเสมือนหยดน้ำคลางถูกสลัดลงจากใบหญ้าเมื่อลมพัดเป็นครั้งคลาวน้องหญิงเรื่องชาติเรื่องตระกูลนั้นอย่านำมาปารมเลย อาตมาไม่ได้เคยคิดถึงมันเป็นเวลานานมาแล้วที่อาตมาไม่รักน้องหญิงไม่ใช่เพราะอาตมามาเกิดในตระกูลอันสูงสักส่วนเธอเป็นทาสีดอกแต่เป็นเพราะอาตมาเห็นโทษแห่งความรักความสเสน่หาตามที่พระศาสดาทรงสอนอยู่เสมอเวลานี้อาตมามีหน้าที่ต้องบำรุงพระศาสดา ผู้เป็นนาะของโลกและพยายามทำหน้าที่กำจัดอาสะวะในจิตใจไม่ใช่เพิ่มอาสะวะให้มากขึ้นเมื่ออาสะวะยังไม่สิน้นย่อมจะต้องเวียนว่ายู่ในวัตะสงสารอีกจะเป็นเวลานานเท่าใดก็สุดจะคำนวณพระศาสดาตัดว่าการเกิดบ่อยๆเป็นความทุกข์เพราะเมื่อมีการเกิด ความแก่ความเจ็บและความทรมานอื่นๆก็ติดตามมาเป็นสายนอกจากนี้ผู้วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารอาจจะมีบางชาติที่ประมาทพลาดพรั้งไปแล้วต้องตกไปในอบายเป็นการถอยหลังไปอีกมากกว่าจะตั้งต้นได้ใหม่ก็เป็นการเสียเวลาของชีวิตไปไมิใช่น้อยน้องหญิง เธออย่าน้อยใจในชาติตระกูลอันต่ำต้อยของเธอเลยบุคคลจะเกิดในตระกูลกษัตริย์พราหมณ์แพทย์หรือสูตรก็ตามย่อมตกอยู่ภายใต้กฎธรรมดาเหมือนกันหมดคือเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและในที่สุดก็ต้องตายความตายย่อมกวาดล้างสรรพสัตว์ไปโดยมิละเว้นใครไว้เลย และใครๆไม่อาต่อสู้ด้วยวิธีใดๆได้นอกจากนี้มนุษย์ทุกคนล้วนมีเลือดสีแดงรู้จักกลัวภัยและใคร่ความสุขเสมอกันเหมือนไม้นานาชนิดเมื่อนำมาเผาไฟย่อมมีเปลวสีเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้จะมัวมาแบ่งแยกกันอยู่ทําไมว่าคนนั้นเป็นวรณะสูงคนนี้เป็นวรณะตำ่ำ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 การที่อาตมาไม่สามารถสนองความรักของน้องหญิงได้นั้นมิใช่เป็นเพราะอาตมารังเกียจเรื่องชาติเรื่องตระกูลของเธอเลยแต่มันเป็นเพราะอาตมารังเกียจตัวความรักนั่นต่างหากพักนีเอย่ยอันธรรมดาว่าความรักนั้นมันเป็นธรรมชาติที่เร่าร้อนอยู่แล้วถ้ายิ่งมันเกิดขึ้นในฐานะที่ผิดที่ไม่เหมาะสมเข้าอีก มันก็จะยิ่งเพิ่มแรงร้อนมากขึ้นเพียงใดการที่น้องหญิงจะรักอาตมาหรืออาตมาจะรักเธออย่างสเสน่หาอะไรนั่นแลเรียกว่าความรักอันเกิดขึ้นในฐานะที่ผิดหรือไม่เหมาะสมขอให้เธอตัดความรักความอาลัยเสียเถิดแล้วเธอจะพบความสุขความปลอดโปร่งอีกแบบหนึ่งซึ่งสูงกว่าประณีตกว่า พระอานนนและภิกขุนูปัสยะไว้เบื้องหลังด้วยความรู้สึกที่แปลกประหลาดท่านเดินลัดเลาะมาทางริมสระแล้วนั่งลงณนะมายาวมีพนักตัวหนึ่งภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณะก็นั่งลงณนะริมสุดข้างหนึ่งพระอาน น, น์ถอนหายใจยาวและหนักหน่วงเหมือนจะระบายความหนัก อ, อกหนักใจออกมาสิบ้าง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 ระดับด้วยบารมีธรรมนั้นต่างหากเล่าจึงสามารถคมใจและสลัดความรู้สึกสงสารอันนั้นเสียท่านปารบกับตนเองว่าอานตน์เธอเป็นเพียงโสดาบันเท่านั้นราคะโทสะและโมหะยังไม่ได้ละเลยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอย่าเข้าใกล้หรือยอมพบกับ ภิกษุณีโกกีลาอีกธรรมชาติของจิตเป็นสิ่งดิ้นรนกลับกรอกง่ายบางคราวปรากฏเหมือนช้างตกมันอานอนจงเอาสติเป็นขอสำหรับเหนียวรังช้างคือจิตที่ดิ้นรนนี้ให้อยู่ในอำนาจบุคคลผู้มีอำนาจมากที่สุดและควรแก่การสรรเสริญนั้นคือ ผู้ที่สามารถเอาตนของตนเองไว้ในอำนาจได้สามารถชนะตนเองได้พระศาสดาตรัสว่าผู้ชนะตนเองได้ชื่อว่าเป็นยอดนักกรบในสงครามเธอจงเป็นยอดนักกรบในสงครามเธออย่าเป็นผู้แพ้เลยพระอนุนต์ตรองและโอวาตนเองอยู่พอสมควรแล้วก็เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ท่านไม่มีอะไรปิดบังสำหรับพระผู้มีพระภาคเพราะฉะนั้นท่านจึงกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระจอมมุนีทรงทราบรวมทั้งที่ท่านปรารบกับตนเองและให้โอโววาตตนเองนั้นด้วยพระมหาสมณะทรงทราบเรื่องนี้แล้วทรงประทานสาธุ ก, การแก่พระอานนุ์แล้วตรัสให้กาลังใจว่าอา น, นุน เธอเป็นผู้มีบารมีอันได้สั่งสมมาดีแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแห่งเธอเรื่องที่เธอจะตกไปสู่ฐานะที่ต่ำกว่านี้นั้นเป็นไม่มีอีกแล้วพระสากยมุนีก็ทรงแย้มพระโอษณ์น้อยเมื่อพระอา น, นุนทูลถามสาเหตุที่ทรงแย้มพระโอษณ์นั้นจึงตรัสว่าอา น, นุ์เธอคงลืมไปว่า พระโสดาบันนั้นมีการไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาจะต้องได้ตราสรู้เป็นพระอระหันต์อย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งเธออย่าวิตกทุกร้อนไปเลยพระอานนท์มีอาการแช่มชื่นจ่มใสขึ้นเพราะพระดำรัสประโลมใจของพระศาสดานั้น เย็นวันนั้นเองพุทธบริษัทแห่งนครโกสัมพีผู้คล้ต่อธรรมมีมือถือดอกไม้ทูกเทียนและสุขัน t ชาติหลากหลายต่างมุ่งหน้าสู่โคสิตารามเพื่อฟังธรรมรสจากพระพุทธองค์เมื่อพุทธบริษัทพลั่งพร้อมนั่งอย่างมีระเบียบแล้วพระผู้มีพระภาคทรงอันตรวาสศกซึ่งยอมไว้ด้วยดีแล้ว ทรงคาดพระกายพันธนะอันเป็นประดุษสายฟ้าทรงคลองสุขตะมหาบังสุกุลจีวอนอันเป็นประดุษผ้ากำพลสีเหลืองมนสเสด็จออกจากพระคันทกุดีสู่ธรรมสภาด้วยพุทธรีลาอันงามยิ่งหาที่เปรียบไม่ได้ประดุษวิราชแห่งพยาช้างตัวประเสริฐและประดุษอาการยื่งกลาย แห่งไกลสอนสีรษชเสด็จขึ้นสู่บวรพุทธาฏที่ปูลาดไว้ดีแล้วท้ำกลางมณฑนมาลซึ่งประดับตกแต่งอย่างวิจิตรการตาทรงเปล่งพระฉับพันรังสีประดุษพระอาทิตเปล่งแสงอ่อนๆบนยอดภูเขายุคันธรเมื่อสมเด็จพระจอมมนีสเสด็จมาถึงพุทธบริษัทก็งเงียบกลิบ พพุทธองค์ทรงมองดูพุทธบริษัทด้วยพระหฤทัยอันเปี่ยมไปด้วยเมตตาทรงดำริว่าชุมนุมนี้ช่างงามน่าดูจริงจะหาคนขนองมือขนองเท้าหรือมีเสียงไอเสียงจามไม่ได้เลยคนทั้งหมดนี้มีคาระวะต่อเรายิ่งนักถ้าเราไม่พูดขึ้นก่อนแม้จะนั่งอยู่นานสักเท่าใด ก็จะไม่มีใครพูดอะไรเลยแต่เวลานี้เป็นเวลาแสดงธรรมพระองค์ทรงดำริเช่นนี้แล้วจึงทรงคายแห่งพระญาณของพระองค์ไปสำรวจพุทธบริษัทว่าใครหนอจะสามารถบรรลุธรรมเบื้องสูงได้บ้างในวันนี้ ทรงเล็งเห็นอุปนิสัยแห่งภิกษุณีโกกิลาว่ามีญาณแก่กล้าพอจะบรรลุทำได้พระพุทธองค์จึงทรงประกาศธรรมจักอันประเสริฐด้วยสุรเสียงอันไพเราะกังวานดังนี้ดูก่อนท่านทั้งหลายทางสองสายคือกามสุขคาลิ ก, กานุโยกการหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุขสายหนึ่ง และอัตตกินลมัฐานุโยกการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสียควรเดินทางสายกลางคือเดินตามอริยมรคมีองค์8คือความเห็นชอบความดาริชอบการพูดชอบการทำชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริตความพยายามในทางที่ชอบ การตั้งสติชอบและการทำสมาธิชอบดูก่อนท่านทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้าง ท่านทั้งหลายความเกิดเป็นความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นความทุกข์ความแห้งใจหรือความโศกความร่ำไรรำพันจนน้ำตานองหน้าความทุกข์กายความทุกข์ใจความรับแค้นใจความพัดพลากจากบุคคลหรือสิ่งของอันเป็นเที่รักความต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งของอันไม่เป็นเที่รักที่พอใจ ปรารถนาอะไรไม่ได้ดังใจทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความทุกข์ที่บุคคลต้องประสบทั้งสิน้นเมื่อกล่าวโดยสรุปการยึดมั่นในขันห้าด้วยตัณหาอุปทานนั่นเองเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลย่อมซืบเนื่องมาจากเหตุ อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งความทุกนั้นเรากล่าวว่าตัณหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ตัณหาคือความทยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็นสาคือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกกามตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกภาวะตัณหาอย่างหนึ่ง ดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเรียกวิภาวะตัณหาย่างหนึ่งนี่แหละคือสาเหตุแห่งทุกขันมูลฐานท่านทั้งหลายการสะละคืนโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแลเราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกได้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 จนสามารถประหารกิเลสทั้งมวลได้สำเร็จมักผลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นพระอระหันต์องค์หนึ่งด้วยประการชนี